คนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้วคือจำพวกอุคติปนอยูญญ่เช่นอย่างพระยศคุณนบุตรยุประสาทบุตรโมกขันลาเป็นต้นนี่คือจำทานที่เป็นอุคติปนญญอยู่อที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็วพะยศคุณบุตร อยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้เมือ่อถึงการแล้วบ่นไปว่าวุ่นวายก็พอดีไปพบกับพระพุทธเจ้าพรองกระลับสั่งว่าให้มาที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งที่นี่ไม่วุ่นวายพอเข้าไปก็ประพาะโอวา่า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 พยายามถานอุปติกันอยู่ถัดลงมากวิปปิจกันอยู่แล้วกลับมาในยะที่พอแนะนำต่างสอนหรือพอถูกพอลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุตสาพยายามจะเกียเ่ยตกายด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งแลงาผลทำซ้ำๆซากๆทำมากก็ค่อยอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเมื่อเราทำไม่หยุดไม่ถอย ธรรมะเข้าถึงใจเรื่อยๆ เ, เอาไปหล่อเลี้ยงภานจิตใจเรื่องกิเลสก็ค่อยขยายตัวไปขยายตัวไปธรรมะมีมากยังไงอา น, นาจก็มากกิเลสก็มีอำนาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยกิเลสมีอำนาจเต็มที่อยากแสดงตัวยังไงพ็แสดงมาเต็มเม็ดเต็มหน่อยความเดอดร้อนจึงมีมากเพราะกิเลสมันมากมีอำนาจมาก ขอความเดือร้อนให้แก่โลกได้มากเมื่อธรรมะได้แทรกซึมเขา้เขาถึงใจมากน้อยกิเลสก็ค่อยอ่อนกำลังอ่อนอำนาจลงไปธรรมะก็มีอานาจลงเข้าไปโดยลาดับลำดับการปฏิบัติธรรมจริงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะพยายามให้ธรรมเข้าสูจ่จิตใจอยู่โดยสม่งเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆเพราะกิเลส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 จึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายในใจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานให้เป็นไปเพว่ความราบรื่นดีงาสงสมสมองเสมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยการอบรมการพุทธ ป, ปฏิบัติทางด้านธรรมะเมื่อธรรมะเข้าสูส่จิตใจมากน้อยเพียงไรใจก็จะค่อยเกิดความยิ่เยี่ยมแจ่มใสมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองไปโดยลําดับ การทำเป็นมีความจําเป็นสําหรับผู้ต้องการความสุขความไปเดินโดยทั่วกันซึ่งจะควรอบรมให้มีขึ้นภายใน จ, ใจิตใจยากลําบากเราไม่ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคคือเคยจะอธิบายมาหลายครั้งหลายหนแล้วการแค่กิเลส จ, จะไม่ยากยังไงกิเลสมันขอตัวมาตั้งแต่เมื่อไหรเราไม่ทราบได้เลยเราไม่ทราบจนกระทั่งว่าปู่ยาตายายาของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรไม่ทราบได้ เรยจะทำลายีิเลสซึ่งฝังลากฐานลงอย่างลึกเราจะทำลายเอาอย่างใจหวังให้ได้อย่างปลอกกล้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสมัไม่ใช่กล้วย <นะ S 2> พอที่จะปอกแล้วเอามารักทางเลยอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องเป็นผู้มีหลักใจแ น, น่นหนามั่นคงคือมีหลักใจมีหลัก ใจหนักแน่นปู่หนหน่อยมีเหตุมีผลเสมอเป็นเครื่องบังคับให้ใจดำเนินหรือเดินไปตามเหตุผลที่เราพิจารณาแล้วนั้นมใจดำเนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่ำเสมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาก่อความจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากคือเรื่องของยิเลง ก็มีน้อยเป็นน้าหนักในอาทีต ท, ท่านสอนให้ไปอยู่ในต่าในที่สงบสงบอย่างพระท่านอยู่พระทั้งผูกระการมีจํานวนมากมายขึ้นมุ่งตอกแดนพ้นทภพและประพฤติปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมานี้องนั่นสําเร็จอยู่ที่นั่นองนี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาโดยล้าหนับข่าวท่านมีแต่ข่าวดีๆถ้าเรามองดูแต่ผล มเหมือนกับท่านล้างมือเปิดแต่เหตุคือการบำเพ็ญของท่านท่านสลับเป็นสลาตายมาแทบทุกองค์ทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสากุลใดๆก็ตามเมื่อได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความเชื่อความนสนใจต่อข้อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้เลียนทั้งหมดสลิตนิสัยใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อน หลักปัดทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามดําเนินตนตามหลักธรรมที่ พ, พระพุทธเจ้าทรงส อ, งสอนเท่านั้นอหากก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดอดิอ่มก็ยอมอิม่มขอให้บําเ พ, พ็ญทำเพื่อพรมความพ้นทุกข์สมความมุ่งหมายเป็นที่พอใจนี่สาวกท่านดําเนินอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดข้อปฏิบัติปฏิปฏทานนั้นมาถึงจนกระทั่ ง, งพวกเรา นี่คือปฏิบัติธรรที่ราบลื่นโดยสม่ำเสมอและเป็นปฎิบาทาิที่สามารถแจกกิเลสถอดถอนกิเลสออกจากใจได้โดยลำดับไม่ว่าการใดสมัยใดเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไวแล้วต้องได้ผลเป็นที่พึงใจโดยลำดับคำว่าที่นั่นบุญนวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงใจสถานที่เขาไม่ว่าเขาวุ่นวาย ดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนเขาวุ่นเขาวขายอะไรไม่ว่าในสถานที่ใดๆก็ตามก็เป็นสถานที่ทั้นั้นอยู่ตามสภวทาของเขาผู้ที่วุ่นวายก็คือหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเครื่องก่อควรให้วุ่นวายนั่นเองนี่ที่พระพุทธเจ้าว่ามาถูสถานที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายคือพระองค์ท่านไม่วุ่นวายพระองค์ได้ชำระหมดแล้วสิ่งที่วุ่นวายภายใน จ, จิตใจภายในพระไถ่ไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสถานที่นี่ไม่วุ่นวายพยศ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 นอกจากจะบำเพ็ญเพื่อนะับดับกิเลสภายใ น, ใ น, ในใ จ, จิตใจเท่านั้นถ้าพูดถึงสถานที่ก็สถานที่นั้นเป็นที่บำเพ็ญเป็นที่นระ ง, งับดับกิเลสซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบระ ง, งับลงไปโดยรอบโดยลาดับจกนกระทั่งถึงความรา่างพากิเลสไม่มีเหลือภายในใจในพระไทยของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระทัยที่บริสกบุดพุทโธทั้งดวงแล้วไม่ใช่พระทายที่ยุ่งเหยิงวุ่นวาย นั่นจึงเรียกถ้ยายพเข้ามาสู่ที่นี่ที่ดีไม่ยุมเหยิงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่เดือดร้อนอสั่งสอนทำแก้ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่จิตใจจนถึงกับผู้นั้นได้รับผลเป็นที่พอใจโดยลำดับลหนับนานนี่นเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้คิดถึงเรื่องความวุ่นวายมันอยู่สถานที่ใดถ้ามาอยู่ในหัวใจของเหล่านี้ไม่มีที่อยู่ เมืม่อความวุ่วายที่เกาะกวนอยู่ภาจิตใจสงับดับลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่ไวุ่นวายแล้วที่ไปที่ไหนก็ไม่ไวุ่นวายเมื่อหัวใจไม่ไมไวุ่นวายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เธอไม่ไวุ่นวายทั้งนั้นสบายไปหมดมีใจดวงเดียวเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความาวุ่นวายใจนั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจเฉยๆแล้วก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิ่นั้นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเข้าไปสิงเนื้อสิ่จิตใจของผู้้้ใดนนนัก็ตองวุ่าย การแก้กี่เลสหรือการแก้ธรรมชาติทีุ่่นวายนี้จึงแก้ลงที่ใจนี้เองโดยข้อปฏิบัติ เ, เป็นขั้นตอนให้กันหมดพุโทโธธโมสังโฆเป็นเครื่องบริการเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเริมแรกนี่ก็คือเพื่ อ, อระ ง, งับความวุ่นวายและต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรนี่ปัญญาจะออกเดินวุ่นวากับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรงลดเครื่องสมบัติอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้าง พิจารณาครี่ครายดูให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตใจผู้ไปสําคัญนั้นหมายกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นว่าเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเกิดความวุ่นวาขึ้นภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งภาย น, นอกภายในใจก็สงบแลระงับลงไปได้นี่การแก้ที่แหลกแก้ความวุ่นวายแก้ที่ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี้เองคือใจแก้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระงับกลับลงไปได้อย่าลืม ยานี้จากจุดนี้วัตจักรก็คือจิตเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลําบากทั้งหมดคือจิตอ า, อาวรมณ์ที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวโก่อเหตุคําว่าคือจิตนี่ก็คือคือเจเลที่ไปอยู่ในจิตจิตที่ยังสำรอกปอกกิเลสออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงปรารถนาขึ้นมาภายในจิตทั้งทั้ที่เราไม่ต้องการมันก็เกิด เพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นจึงลบล้างมาได้ด้วยความสำคัญด้วยความต้อ ง, องการเฉยๆต้องลบล้างด้วยการปฏิบัติกาจัดถึงนั้นๆด้วยเหตุผลที่ควรได้จะอรรัดทมนี่เป็นหลักใหญ่เอาบำเพ็ญลงไปคําอาัจฉริยตโนราโถดังที่เคยแสดงแล้วให้เด่นพระนจิตใจตัวเองมนุษย์เราเกิดมาชอบอาศัยผู้อื่นอยู่เสมออะไรๆต้องพึ่งผู้อื่นอาศัยผู้อื่น เวลาเข้าจนกรอบจมุมแล้วต้องอาศัยเราพยายามสร้างอภินิจนูนาถุบสติไม่มีพยายามสร้างให้มีปัญญาไม่มีพยายามสร้างให้มีความขี้เกียจพยายามตาบตามมันลงไปให้สิ้นซากความขยันผิดขึ้นมามีเหตุมีผลผลิดความขยัน ม, มันเกิดขึ้นได้ความที่เกียจที่ค้ามีเราเคยได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกระมันเคยมีไหมถ้าเราสร้างโลกด้วยความขี้เกียจจะเป็นคนมั่งมีได้ไหม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 เราจะทำนิทีไหนเราจะนำความขี้เกียจที่ขั้นทีเข้ามาเป็นผู้นำทาง ห, หรือหรอจะนำความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความขี้เกียจเพิ่มความโง่เข้าอยู่เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแก้สิ่งทั้งสองนี้ได้เราต้องพยายามติดขึ้นมา ความฉลาดผิดได้พยายามคิดอ่านแต่จองอยู่เสมอทีแรกต้องพยายามผักคิดผักคน้นมาก่อนพราะยังไม่เห็นผลจนกว่าผลรากวดขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาห์พยายามความบึกบืนหรือความเชี่ยวความมุ่งหมยความดุดดื่มภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องถุกเป็นเครื่องดึงดูดให้เป็นไปเนีย่ยแก้ตรงที่นี้ทิเลกมีอยู่กับใจ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 ความทุกข์เกิดขึ้นก็เอาความทุกข์เป็นเป้าหมายกำหนดลงไปหาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรพ้นว้ามันอยู่ที่ตรงนั้นความหุ่นวายความทุกข์มันเกี่ยวพันกันอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความสาคัญมันหมายอะไรมันชค่เกิดขึ้นจากอะไรมาอันนั้นเป็นอันนี้เป็นอันนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นจิตก็หวังเปสาคัญเองแล้วหลงความสำคัญก็เองก็โอยทุกข์ขึ้นมาเผ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 แล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงให้เราเห็นเมื่อสติจดต่ออยู่นั้นไม่ยอมให้จิตจิตมันคิดนในทางอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกดูเฉพาะจุดที่มันเป็นนั้นด้วยปัญญาด้วยสติแค่ควรดูด้วยดีแล้วเนี่ยพิบว่าถูกต้องและเป็นทางที่จะ ง, งับกับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ท่านดับทุกข์ท่นดับที่มีถ้ามีสติปัญญาหนดับได้ตรงนี้แหละมีความเพียนเราไม่ต้องไปปรารถนาว่าให้ทุกนี้ดับไปเสีย แล้ไม่ต้องพยาอยากให้มันดับความอยากนี้เป็นความก่อเป็นสิ่งก่อเกลืจะเพิ่มทุกขึ้นมาเมื่ อ, ม, อมันไม่ดับอย่างใจหมายเพราะงั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่ปรากฏอยู่คือค ว, ความทุกเวลานี้ก็คือการกําหนดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรจะเห็นความจริงทั้ ง, ท, งทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยุติความทุกข์ได้และเป็นสิ่งที่จะงับดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยมีจุดนี้เป็นจุดสําัญ แล้วไม่ต้องไปปรนนารถนาไม่ต้องไปหมายมันมันจะเพิ่มทุกข์อา้าต้องการแต่ความจริงให้รู้ความจริงเบือความจริงถ้ามันเห็นมันทุกไม่ดับมันจะตายไว้แล้วกันก็ให้รู้มันจะไปไหนวะว่างนี่เลยเอาลงให้เด็ดถึงค่าวเด็ดจิตไม่ตายไม่ต้องกลัวตายอ้าพิจารณาลงในสนามรบนี่ระหว่างขันกับจิตเนี่ยเป็นสนามรบของสติปัญญากับกิเลส ท, ที่ต่อสู้กันสติปัญญากิเลส น, น, นั่นเป็นอันหนึ่ง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 มันบาบางไปจนกระทั่งความสำคัญนั้นหมดไปคำานั้นเป็นเรานี้เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเนี่ยปัญญาตัดขาดตัดขาดอย่างนี้เองตัดความสำคัญว่านั้นเป็นเรานี้เป็นของเราทุกข์ก็เป็นเราร้อนจะตายก็ยังมาเป็นเราอีกว่าเป็นของเราอีกเอามาทําใหม่มันเหมือนกับไฟมันว่าเป็นเรามาเผาเราได้เผาเราทํำไมความร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์รู้ว่าทุกอะไรจะต้องกวาดเอามาเผาจะของอีกทุกข์กับมนรู้ว่ามันทูกกําหนดดูที่ตรงที่ว่ามันทุกข์ด้วยปัญญาของเรานั่นแหละเป็นความผิดต้อง ตั้งอยู่ใครรู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกมันเกิดขึ้นขนาดนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาดต่อไปนั้นเนี่ยจิตทำไมไม่เห็นมันดับด้วยมันเป็นเดียวกันทรายมันไม่ดับไปด้วยกันมันคนละอย่างนี่นะมันคาดชัดเจนถ้ามันดับเอามันจะตายไโดยการคายใตยจิดยังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนขอให้มันรู้ตามความจริงอันนี้อันนี้วิธีขอสารยิเดชในหลักปัจจุบันนัตถ์ตามทางของพระพุิธเจ้าท่านสอนอย่างนี้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 ความรวดเร็วของสติปัญญาก็เร็วขึ้นไปด้วยลำดับเพราะฝึกซ้อมอยู่เสมอนี่นี่แหละสิ่งที่จะทันกับกี่เหลือคือสติกับปัญญามีมากอย่างไรทีเหลือ ย, ย่ำกลัวทั้งนั้นเนี่ยถ้ามีน้อยที่เลือเขาเหยียบย่ทาทํำลายจนไม่ปราบสติปัญญาเลยมิจะนั่งเฝ้าทุกข์อยู่อย่นั้นปล่อยให้มันทุกข์มันเหยียบย่ําทำลายบนอยู่งั้นบนอะไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์บนนั้นไม่ทำใหม่หน้าที่ของเรามีไงฟาดลงไปมัน เนเหตเห็นผลเห็นความแตกความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วที่เหลือไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมดแล้วฮะสู้ปัญญาไม่ได้งานแหละเราต้งจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นเหตุอะไรมันเป็นกงจับอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุกข์ตัวลาบากทั้งทั้งหลายนอะไรเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนเป็นที่เดือดร้อนที่ไหนเป็นที่วุ่นวาย เมื่อทราบ่งนี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนวุ่นวานหมดเพราะกิเลสตัวก่อกวนให้เดือดร้อนรุ่นวานมันหมดไปด้วยหน้าของปัญญานั่นหมดทุกหมดที่จ่ายกายมันจะมีก็มีเรื่องของมันจะเป็นอะไรไปมันมีอยู่ของมันอยู่จนกรทั่งวันหมดวันสลายนั่นแหละเดือดแสดงนั่นเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั้นเรื่องของมันว่าไง เราจะไปสําคัญมันให้เห็นตามความจริงของมันเราจะไม่เดือดร้อนถุงคราวจรินมันก็เป็นอย่างนั้นเห็นชัดตามความจริงอยู่แล้วมันจะแตกก็แตกยิ้ม ก, กันเออจะว่าไงมันไม่มีอะไรที่จะมาทําลายจิตใจได้การตายของธาตุของขันธ์การสลายทางขันธ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างจิตใจให้หรือทำลายจิตใจให้ทิพยหายไปไนี่มันเป็นเรื่องของเขาทําหน้าที่การธรรมชาติของเขา คือทำหน้าที่ตามไตรลักษณ์คือให้จ่างทุกขลาเขาประทับมันเข้าไปผู้ที่รูกกรดไตรลักษณ์ก็ให้รู้ไปพิจารณาไปหเหมือนตามมันยิงไปเนี่ยน่ไชื่อว่าผู้ฉลาดนี่ล่ะท่านผูลาดทำมาผู้ฉลาด ท, ที่กรุงนี้สวดให้ดีนะผู้ฉลาดทำมาจะไปคอยแต่เอาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเคาะลงโป๊ ะ, ปะเป๊ะเฮ้ยํลำพานจะตายเราตอนยังเป็นคนอยู่ไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุศลากันยุ่งไปหมดกุศลธรรมากับเท่าเดิมมันแหละ ว่ายช่วยมันถูกจุดสิเสกุศลธรรมะแปลว่าความชนะเรียนเรื่องของตัวให้มันรอดให้มันรู้รอดนะความโง่ก็อยู่ในตัวเองความชนะอยู่ในตัวเองผิดขึ้นมาได้อากัสลาธรรมะมันก็อยู่ที่จิตมันอยู่ที่ไหนนี่นะอภิญญาตา ท, ม า, มทาทำมาก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมะก็อยู่ที่จิตเนี่ยแต่ จ, จิตจนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธรรมะก็เหมันสนใจจะพูดเสียเวลา อากุศลธรรมากว่าเสียเวลอาอภิยะธรรมากว่าเสียเวลาอยู่ตามความจริงนั้นสบายดีอตายแล้วไม่ต้องหาพระมคกุศาธรรมาแลถามว่ามันถึงเหตถึงผลแต่มันรู้จริงๆนะภายในจิตใจในี่ความจริงมีอยู่กับทุกคนเพระพุทธเ้าไม่หลอกลวงโลกเนี่ยมองเห็นก่อนแย่รู้ ก, ก่อนแย่จะนำความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะปลอมไปไหนนอกจากจิตใจของเราที่เดชภาให้ปลอมเท่านั้นเองมันถึงปลอมด้วันยั่งยำคืนยังรุ่มได้ยินได้เห็นอะไรปลอมไปหมดเพราะทีเลชภาให้ปลอม ถ้าสติปัญญาได้ยังก็ไปตรงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็นผูกไม่สงสัยนี่นะ่แหละเรียนทำรรจบเรียนวัตจักรแก้วัตจักรจบที่จิตดูแสนสมยัยเนี่ยท่านบอกโลกุตนาธรรมมันเหนือโลกทั้งๆติดอยู่ในโลกอยู่ในขันมันก็เหนือขันมันไม่ยอมให้ขันกดขี่บังคับมันได้เหมือนอย่างแต่ก่อน รูต้ตามมัจริงนะทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทําลายจิตใจไม่มกากดขี่บังคับจิตใจได้เองได้เลยจึงเรียกว่าเหนือโลกเหนือโลกคือขังเนี่ยมันเหนือที่ตรงนี้เองโลกุณาธรรมแปลว่าทําเหนือโลกนิพพานังปรมังสุขขังถามหาอะไรขอให้จิตบริสุทธ์เท่านั้นกับคําว่า น, นิพพานังปรมังสุขขังอันเดียวกันส่วนไม่สวดก็ไหมืว่าก็อันเดียวกันเนีพยายามสวดกุศลให้ตัวเองนะ เดไปคอยจะเอาพระมาสวดกุชลานะทำมาหยุ่งถ้าเป็นพระท่านอยากยุ่งนหรืท่านลำคาญท่านไอยากไปนอกจากพระหากินมันท่านจะจับไปเฮ้ยวันนี้คนตายนะกุชลานะอาหารว่างเกินแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้อย่างนั้น ถ, ถ้าพระท่านมุ่งอาจมุ่งทำท่านไม่สนใจอะไรท่านขี้เกียจยุ่งเวลาสอนให้กุชลานะทมาไม่สนใจเวลาตายเอาไปกุชลานะทำใหม่น่ะตันเดว่างั้นนะอาระเอวา